ไม่ได้ชาญก็ติดต่อกับโอปปาติกาได้ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มาเป็นเวลานานข้าพเจ้ามีความรู้ทั้งในด้านหลักวิชาและประสบกับข้อเท็จจริงมามากจากความชนานาญเท่าที่มีอยู่ทำให้ข้าพเจ้ารู้ว่าถ้าหากจะมีสถาบันอะไรก็ตามที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมคนที่มีพื้นมาดี สามารถที่จะฝึกสมาธิในขั้นสูงได้และรับความสะดวกพอสมควรแล้วในมิชางานนี้ก็จะเป็นปึกแผ่นและเป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นนันมากทั้งนี้ก็เพราะข้าพเจ้าได้มองเห็นทางอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งคนส่วนมากไม่นึกถึงเลยทางเส้นนี้เป็นทางที่ไม่ยากสำหรับคนทั้งหลายที่จะปฏิบัติตามเป็นทางที่ข้าพเจ้าแน่ใจว่าถ้าได้ทากันให้ถูกต้องจริงๆแล้ว เราจะสามารถผลิตคนผู้ที่ได้สำเร็จสมาธิถึงขั้นติดต่อกับโอปปปาติกะได้ปีละหลายๆคนทีเดียวข้าพเจ้าขอเน้นว่างานอันนี้ไม่ใช่งานที่ยากจนเกินไปเป็นงานที่คนธรรมดาสามัญอย่างเราท่านทั้งหลายนี่แหละสามารถจะทำได้เพราะทางที่ว่านี้ไม่ใช่เรื่องของการได้ฌานหรือได้ทิพย์พาจักสุดังที่คนทั้งหลายเข้าใจกัน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 มันก็คงปลอมอีกเช่นเคยในเรื่องธนบัตรถึงแม้จะมีเรื่องยุ่งยากทำนองนี้เกิดขึ้นก็ยังมีทางที่จะพิสูจน์ได้ง่ายว่าอันไหนปลอมอันไหนจริงส่วนเรื่องของความฝันเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ง่ายๆเหมือนเรื่องธนบัตรทางนี้ก็เพราะเราไม่มีบุคคลที่ได้สมาธิขั้นสูงคือขั้นที่สามารถจะติดต่อกับโอปปปาติกะและสามารถที่จะเรียกโอปปาติกะ